3ปุพหกรนะนิทานาธิวิภาคะว่าด้วยการจำแนกนิทานแห่งบุพการเป็นต้น4ี่หถามบุพการมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทรไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานการถอนผ้ามีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทรไทย มีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานการอธิษฐานผ้ามีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานการกรานมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน มีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานมาติกาและปริพ o o มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์ มีอะไรเป็นสมุดฐานตอบบุพกณรมีประโยคเป็นนิทานมีประโยคเป็นสมุทไทยมีประโยคเป็นชาติมีประโยคเป็นแดนเกิดก่อนมีประโยคเป็นองค์มีประโยคเป็นสมุดฐานการถอนผ้ามีบุภกณรเป็นนิทานมีบุภกณรเป็นสมุทไทยมีบุภกณรเป็นชาติมีบุภกณรเป็นแดนเกิดก่อน มีบุพกรเป็นองค์มีบุพกรเป็นสมุดฐานการอธิษฐานผ้ามีการถอนผ้าเป็นนิทานมีการถอนผ้าเป็นสมุดไทยมีการถอนผ้าเป็นชาติมีการถอนผ้าเป็นแดนเกิดก่อนมีการถอนผ้าเป็นองค์มีการถอนผ้าเป็นสมุดฐานการกรานมีการอธิษฐานผ้าเป็นนิทาน มีการอธิษฐานผ้าเป็นสมุทยมีการอธิษฐานผ้าเป็นชาติมีการอธิษฐานผ้าเป็นแดนเกิดก่อนมีการอธิษฐานผ้าเป็นองค์มีการอธิษฐานผ้าเป็นสมุทฐานมาติกาและปริโพธมีการกรานเป็นนิฐานมีการกรานเป็นสมุทยมีการกรานเป็นชาติมีการกรานเป็นแดนเกิดก่อนมีการกรานเป็นองค์ มีการกรานเป็นสมุทฐานคว า, ค, ความหวังและความสิ้นหวังมีวัตถุเป็นนิทานมีวัตถุเป็นสมุไทยมีวัตถุเป็นชาติมีวัตถุเป็นแดนเกิดก่อนมีวัตถุเป็นองค์มีวัตถุเป็นสมุทฐาน406ถามประโยคมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยมีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานบุพกรและการถอนผ้าละการอธิษฐานผ้าละการกรานละมาติกาและปริโภ o t h ละวัตถุล ะ, วละความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน มีอะไรเป็นอง์มีอะไรเป็นสมุดฐานตอบประโยคมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทไทยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นอง์มีเหตุเป็นสมุดฐานบุพกรละการถอนผ้าละการอธิษฐานผ้าละการกรานละมาติการและปริโพธ์และวัตถุละ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 การถอนผ้าและการอธิษฐานผ้าและการกรานและมาติการและปริโภ o t ์และวัตถุและความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นอง Fitness, มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบประโยคมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัย มีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานบุพกรและการถอนผ้าและการอธิษฐานผ้าละการกรานละมาติการและปริพโธดละวะัตถุละความหวังและความสิ้นหวังมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุไทย มีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุดฐานสงเคราะห์ธรรม4 0 8ถามบุพกรณ์สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบบุพกรณ์สงเคราะห์ด้วยธรรมเจ็ดอย่างคือ 1. ซักผ้า 2. กะผ้า 3. ตัดผ้า 4. ผูกผ้า 5. เย็บผ้า 6. ย้อมผ้า 7. จรทำกับปะพินทุอุพกณรสงเคราะห์ด้วยทำเจ็อย่างนี้ถามการถอนผ้าจัดเข้าทำเท่าไหร่ตอบการถอนผ้าจัดเข้าทำสามอย่างคือ 1. ผ้าสังคาติ 2. ผ้าอุตราสงส์ 3. ผ้าอันตรวาศถาม การอธิษฐานผ้าสงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบการอธิษฐานผ้าสงเคราะห์ด้วยธรรมสามอย่างคือ 1. ผ้าสังคาติ 2. ผ้าอุตตราสงส์ 3. ผ้าอันตรวาศถามการกรานสงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบการกรานสงเคราะห์ด้วยธรรมอย่างเดียวคือเปล่งวาจา มูลเหตุแห่งกรถินเป็นต้นถามกรถินมีมูลเหตุเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไหร่ตอบกรถินมีมูลเหตุอย่างเดียวคือ2มีวัตถุ3คือ 1. ผ้าสังคาติ 2. ผ้าอุตตราสงส์ 3. ผ้าอันตรวาศมีภูมิ6คือ 1. ผ้าทําด้วยเปลือกไม้ 2. ผ้าทำด้วยฝ้ายสาผ้าทำด้วยไหม 4. ผ้าทำด้วยขนสัตว์ 5. าผ้าทำด้วยป่าน 6. ผ้าทำด้วยสัมภาระเจือกันเบื้องต้นแห่งกะถินถามกถินมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบกะถินมีบุพกรเป็นเบื้องต้น มีการกระทำเป็นท่ามกลางมีการกรานเป็นที่สุดองค์ของภิกษุผู้กรานกถิน409ถามภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรไม่ควรกรานกถินภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรควรกรานกถินตอบภิกษุประกอบด้วยองค์8ไม่ควรกรานกถินภิกษุประกอบด้วยองค์8ควรกรานกถิน ภิกษุประกอบด้วยองค์8เป็นฉไนไม่ควรกรานกระถินตอบ 1. ภิกษุไม่รู้บุพกรณ์ 2. ไม่รู้การถอนผ้า 3. ไม่รู้การอธิษฐาน 4. ไม่รู้การกราน 5. ไม่รู้มาติกา 6. ไม่รู้ปริพ o o ไม่รู้การเดาะกถิน่น 8. ไม่รู้อานิสง ภิกษุประกอบด้วยองค์8นี้ไม่ควรกรานกระถินถามภิกษุประกอบด้วยองค์8เป็นฉไนควรกรานกระถินตอบ 1. ่ภิกษุรู้บุพกรณ์ 2. รู้การถอนผ้า 3. รู้การอธิษฐาน 4. รู้การกราน 5. รู้มาติกา 6. รู้ปริพ o 7. รู้การดะกระถิน รู้อานิสงส์ภิกษุประกอบด้วยองค์8นี้ควรกรานกถินการกรานกถิน410ถามภิกษุพวกไหนกรานกถินไม่ขึ้นภิกษุพวกไหนกรานกถินขึ้นตอบภิกษุสามพวกกรานกถินไม่ขึ้นภิกษุสามพวกกรานกถินขึ้น ถามภิกษุสามพวกไหนกรานกะถินไม่ขึ้นตอบ 1. ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนา 2. เมื่ออนุโมทนากลับไม่เปล่งวาจา 3. เมื่อเปล่งวาจากลับไม่ยอมให้ผู้อื่นรู้ภิกษุสพวกนี้กรานกะถินไม่ขึ้นถามภิกษุสามพวกไหนกานกะถินขึ้นตอบ 1. นึ่พิุอยู่ในสีมาอนุโมทนากระถิน 2. เมื่ออนุโมทนาก็เปล่งวาจา 3. เมื่อเปล่งวาจาก็ให้ผู้อื่นรู้พิกษุสพวกนี้กรานกระถินขึ้นวัตถุวิบัติเป็นต้น411ถามการกรานกระถินเท่าไรไม่ขึ้นการกรานกระถินเท่าไรขึ้น ตอบการกรานกถินสามอย่างไม่ขึ้นการกรานกถินสามอย่างขึ้นถามการกรานกถินสามอย่างไหนไม่ขึ้นตอบ 1. ผ้าวิบัติโดยวัตถุ2วิบัติโดยการ3วิบัติโดยการกระทําการกรานกถินสามอย่างนี้ไม่ขึ้นถามการกรานกถินสามอย่างไหนขึ้นตอบ 1. ผ้าถึงพร้อมด้วยวัตถุ 2. ผ้าถึงพร้อมด้วยการ 3. ผ้าถึงพร้อมด้วยการกระทาการกรานกถินสามอย่างนี้ขึ้น